วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองเมษายนพุทธศักราชสอง6ห้าสเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆการธรรมาหากินหาทองหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีเวลาว่าง ก็เลยมาวัดกันเพื่อที่จะได้มาศึกษามาเรียนรู้วิธีหาทรัพย์ภายในเพราะในโลกนี้นอกจากทรัพย์ภายนอกแล้วเรายังสามารถหาทรัพย์ภายในให้กับใจของเราได้ด้วยใจของเรา ตอนนี้มีร่างกายเราจึงสามารถใช้ร่างกายหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราหาได้จากร่างกายด้วยร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วสิ่งที่ใจจะใช้ในการให้ความสุขกับใจก็คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในใจนี้แหละเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ร่างกายของพวกเรานี้ตายไปแล้ว ถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในเราก็จะไม่มีความสุขกันเราก็จะอยู่กันแบบอดๆอยากๆอ ย, ากอยู่แบบขอทานต้องไปรอรับทรัพย์ภายในใจจากผู้ที่เขาทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญให้กับเราดัางนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า ทรัพสมบัติภายนอกที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทรัพสมบัติชั่วคราวใช้ได้ในขณะที่มีร่างกายและหาได้ในขณะที่มีร่างกายแต่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วจะไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์ภายนอกที่หามาได้ด้วยร่างกายนี้ ว่เอาติดตัวไปในพบต่อไปได้เราจรึงต้องมาหาทรัพย์ภายในใจกันวันธรรมดาเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็ไปทํามาหากินหาทรัพย์สมบัติภายนอกกันพอมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ควรที่จะเอาเวลามาหาทรัพย์ภายในกัน เพราะว่าเราจะต้องพึ่งทรัพย์ภายในในวันข้างหน้าในวันที่เราไม่มีร่างกายนี้ถ้าเราไม่สะสมหาทรัพย์ภายในไว้เวลาที่ร่างกายตายไปเราจะไม่มีอะไรมาคอยสนับสนุนให้เราอยู่อย่างรล่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างทรัพย์ภายในกันในวันที่เราหยุดการสร้างหรือการหาทรัพย์ภายนอกอย่าเอาเวลาไปหาความสุขจากทรัพย์ภายนอกในวันที่เราหยุดทรมาหากินหาได้บ้างแต่ก็ควรจะมีเวลา ให้กับการมาหาทรัพย์ภายในกันด้วยเพราะทรัพย์ภายในนี้ก็มีความสำคัญเท่ากับทรัพย์ภายนอกที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราเห็นความสาคัญของทรัพย์ภายนอกว่ามันสำคัญอย่างไรก็ขอให้เราเห็นความสำคัญของทรัพย์ภายในเช่นเดียวกันทรัพย์ภายในนี้ เบียเหมือนกับเงินทองธนบัตรหรือเงินเงินสกุลต่างประเทศญาติโยมที่ไปอยู่ต่างประเทศนี้คงจะรู้ว่าถ้าไม่มีเงินสกุลของประเทศที่เราไปอยู่เราก็จะยุ่งยากลำบาก mm hmm. เวลาก่อนที่เราจะออกเดินทางจากบ้านเราไปต่างประเทศ เราก็ต้องเตรียมเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปกันถ้าเรามีเงินเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปอยู่ไปพักกันพอไปถึงประเทศนั้นเราก็สามารถเอาเงินสกุลของประเทศนั้นออกมาใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายถ้าเราไม่ได้เตรียมเปลี่ยนเงินสกุลไปถึงแม้ว่าเราอาจจะไปแลกเงินได้แต่ก็อาจจะ เสียเวลาอาจจะไม่สะดวก mm hmm. แล้วยิ่งถ้าเราไม่มีเงินแรกเงินส ก, กุลต่างประเทศเลยเราไปเราก็ต้องไปอยู่แบบอยู่ตามค่ายอบพยพเหมือนช่วงที่มีช่วงสงครามเวลาเกิดสงครามขึ้นมาบางทีไม่มีเวลาที่จะเอาทรัพย์ของเรานี้ไปเปลี่ยนเป็น เงินของประเทศที่เราจะไปอพยพไปอยู่หรือไม่หรือไม่มีเงินที่จะไปแลกเปลี่ยนเอาเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปอยู่เราก็จะไปอยู่แบบผู้อพยพอยู่ตามค่ายของผู้อพยพตามชายแดนจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาได้เพราะเราไม่มีเงินทองที่จะไปใช้ ในประเทศของเขานั่นเองฉังในใดเวลาที่ร่างกายเราตายไปก็เป็นเหมือนเวลาที่เราย้ายประเทศกันเราย้ายบ้านย้ายช่องจากบ้านช่องที่เราอยู่กันในขณะนี้ที่เราเรียกว่าแดนมนุษย์ตอนนี้เราอยู่ในภพในแดนของมนุษย์แต่เวลาเราไม่เวลาร่างกายของเราตายไปนี้เราก็ต้องออกจากแดนมนุษย์ไป อยู่ในแดนของโลกทิพย์โลกทิพย์ที่มีอยู่หลายหลายระดับของความสุขและหลายระดับของความทุกข์<ม>การที่เราจะไปอยู่ในโลกทิพย์ในระดับต่างๆได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสะสมทรัพย์ภายในของพวกเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ เราต้องเตรียมตัวเตรียมเอาทรัพย์ภัยในใจไปกับเราเราต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีการเคลื่อนย้ายจากโลกของมนุษย์นี้ไปสู่ในโลกทิพย์ต่อไปเนื่องจากว่าร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้ตลอด อยู่ได้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีดังนั้น <c oughs> เราจึงไม่ควรประมาทกันแล้วก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงมีตาในที่เห็นดวงใจของพวกเราหรือดวงวิญญาณของพวกเราที่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้ว จะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างสุขหรือจะอยู่อย่างทุกข์นี้ขึ้นอยู่กับการกระทาของพวกเราในปัจจุบัน <c oughs> ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสั่งมาสอนพวกเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนี้อะไรจะตามมาต่อไปเวลาน่างกายนี้ตายไปแล้วเราสูญไปกับร่างกายหรือเปล่า เราหมดสภาพไปกับร่างกายหรือเปล่าหรือเราไม่หมดสภาพไปกับร่างกายเรายังอยู่ต่อและเราจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์<ม>อันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาพบความจริงแล้วนำเอาความจริงของใจของพวกเรานี้ <c oughs> มาสั่งสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็อาจจะคิดว่า ชีวิตของพวกเราก็มีแค่ร่างกายนี้เท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปแล้วทุกอย่างก็จบลงเราก็จบลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกต่อไปต่อให้เราสะสมทรัพย์ภายในหรือทำอะไรดีช่วยอย่างไรก็ไม่มีผลตามมาเพราะไม่มีผู้ที่จะไปรับผล เนื่องจากเราเห็นว่าผู้ที่รับผลและผู้ที่กระทำคือร่างกายของเราเราก็เลยอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการที่เราจะมาสะสมทรัพย์ภายในใจกันแต่ถ้าเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่จะ เป็นดวงวิญญาณต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและดวงวิญญาณของพวกเรานี้จะอยู่สุขหรืออยู่ทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในปัจจุบันในขณะนี้ว่าเรากําลังสร้างทรัพย์ภายในกันหรือเรากําลังสร้างนีิศินภายในใจกันในใจของเรานี้มี สิ่งที่เราสามารถทำได้หรือสร้างได้อยู่สองอย่างคือสร้างทรัพย์สินและสองสร้างหนี้สินถ้ามีหนี้สินเราก็ต้องไปใช้หนี้สินเหมือนไปติดคุกติดตารางถ้าเรามีทรัพย์สินเราก็จะได้ไปใช้ทรัพย์สินกันไปท่องเที่ยวไปหาความสุขจากทรัพย์สินที่เรามีกัน นี่คือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้แล้วนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของตัวเราว่าตัวเรานี้เป็นใครกันแนะ่ตัวเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายนะร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของเราเป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนพาหนะ ที่เราใช้ขับไปไหนมาไหนเราเป็นคนขับรถยนต์รถยนต์นี้ไม่ได้เป็นเราเวลาเราต้องการจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์พาเราไปไหนมาไหนเวลาที่เราอยากจะไปไหนมาไหนทําอะไรในโลกนี้เราก็ต้องมีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปตามที่ต่างๆ เช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดเราก็ใช้ร่างกายให้พาเรามาวัดเราเป็นคนออกคำสั่งสั่งว่าวันนี้ไปวัดกันไปทําบุญกันังฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้แหละเป็นเราผู้สั่งผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นเราคือใจใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาขับร่างกายนี้ เหมือนกับคนขับรถที่ไปขับรถยนต์รถยนต์กับคนขับรถนี้เป็นคนละคนกันใจผู้ขับร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายไปทาอะไรต่างๆก็เป็นคนละคนกับร่างกายร่างกายตายไปคนขับคือใจของร่างกายที่ที่ขับร่างกายนี้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ต้องอาศัยความสุขผ่านจากผ่านจากการสร้างทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆภายในอาศัยทรัพย์สินภายในเป็น เครื่องมือให้ความสุขกับใจนี่แหละที่มาของคำว่าทรัพย์สินภายในความสำคัญของทรัพย์สินภายในก็คือเวลาที่เราไม่มีร่างกายใจเราจะมีความสุขได้ต้องมีทรัพย์สินภายในและใจของเราจะมีความทุกข์ได้ถ้าเราไปสร้างหนี้สินภายในด้วย ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ภายในใจเราก็ต้องไม่ไปสร้างหนี้สินเราต้องสร้างแต่ทรัพย์สินภายในใจการสร้างทรัพย์สินภายในใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าการทำบุญนี่การทำความดีต่างๆการทำทานการทำบุญการเสียสละแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่น การทำให้ผู้อ่นได้รับความสุขจากการเสียสละจากการกระทำของเรา mm hmm. เหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างทรัพย์ภายในส่วนการสร้างนี่ภายในก็คือการทำบาปต่างๆ mm hmm. การไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปไปพูดผิดประเพณีและการไปพูดปดโกหกหลอกลวง อันนี้เรียกว่าเป็นการไปสร้างนิสินแล้วก็ใช้วิธีการเสบบายามุกนี้เป็นผู้มาสนับสนุนให้ไปทำบาป mm hmm. เช่นดื่มสุรายาเมา mm hmm. เวลาดื่มสุรายาเมาแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาไม่มีสติที่จะคอยควบคุมการพูดการกระทําของตนเองได้ เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีออกมาได้ถ้าเกิดมีอาการมึนเมาแต่ถ้าไม่มีอาการมึนเมาเวลาคิดที่จะพูดไม่ดีทาไม่ดีก็จะมีสติยับยั้งได้<ม>ก็จะช่วยให้ไม่ให้ไปกระทำบาปได้ง่าย<ม>คนที่ไม่เมากับคนที่เมานี่ โอกาสที่จะไปทำบาปนี้ต่างกันคนที่เมานี้มักจะทำบาปไดง่ายคนที่ไม่ทำคนที่ไม่เมาเนี้ยจะไม่ทำบาปจะทำบาปได้ยากกว่า mm hmm. เพราะมีสติรู้ว่ากำลังไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่จะเกิดโทษกับตนเอง mm hmm. ก็เลยใช้สติยับยั้งคำคิดการกระทำได้พระพุท mm hmm. ธเจ้าก็เลยต้องสอน วิธีไม่ไม่สร้างหนี้ภายในใจก็คือต้องไม่ทาบาปแล้วก็ต้องไม่เสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุขเช่นการดื่มสุรายาเมารวมไปถึงการเล่นการพนันการเที่ยวการเที่ยวและความเกลียดค้าเป็นการกระทาที่จะสนับสนุนให้มีการกระทากะ กระทำกับบาปได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าเวลาที่ไม่ได้เสพอบายามุข่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ไม่มีนสินภายในใจเราก็ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องไม่เสพอบายามุขเพราะถ้าไปเสพอบายามุขแล้วอบายามุขนี่แหละจะเป็นตัวที่จะไปผักดัน ให้เราไปทำบาปต่อไปเช่นเวลาเราดื่มสุราแล้วเมาเมื่อขาดสติแล้วเราขับรถโอกาสที่เราจะขับรถไปชนผู้อื่นไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็จะมีมากมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้มึนเมาในขณะที่เราขับรถ การเล่นการพนันก็จะทำให้เราจะต้องไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสูญเสียเงินทองเงินทองก็จะไม่พอใช้พอเวลาเงินทองของเราไม่พอใช้เราก็จะต้องไปหาโดยวิธีโกหกหลอกลวงไปชอโกงหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเพราะมันเป็นวิธีที่หาได้ง่ายหาได้เร็ว หรือถ้าเราไปเที่ยวบ่อยๆเที่ยวมากๆไม่ทำมาหากินเอาแต่เที่ยวหรือเอาแต่ความเกียดค้าน mm hmm. เงินทองมันก็จะไม่พอใช้เพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเอง mm hmm. พอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองโดยวิธีไม่ชอบ mm hmm. ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่น เพ่อที่จะได้เอาทรัพย์ทองมาใช้ต่อนี่แหละคืออบายามุขอบายามุขเป็นการกระทำที่จะคอยผลักดันให้เราไปทำบาปถ้าเราไม่เสบอบายามุคนี้เราก็จะไม่มีอะไรมาคอยผลักดันให้เราต้องไปทำบาปเพราะเราจะมีเงินทองพอกินพอใช้ เพราะเราไม่ไปเล่นการพนันไม่ดื่มสุรายามเมาไม่ไปเที่ยวเรามีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการทามาหากินหาเงินหาทองเงินทองก็จะไม่ขาดมือเราก็จะมีเงินทองพอใช้ทำให้เราไม่ต้องไปทาบาปกัน น, นี่เราภายในใจของเรานี้เรามี สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปกับเราได้สองอย่างคือทรัพย์ภายในใจและหนี้สินภายในใจถ้ามีหนี้สินติดตัวไปหนี้สินนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าหนี้ที่เขาจะมาคอยทวงหนี้เรามาคอยรังควานเรามาเรียกมาเรียกเอาหนี้ของเขาคืนไปถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็จะจับเราไปลงโทษ อาจจะซ้อมตีเราทุกปีเราหรืออาจจะไปแจ้งความให้เขามาจับเราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ก็มีคุกตารางหรือมีที่อยู่ที่มันไม่มีความสุขแล้วมีที่อยู่ที่มีความสุขการที่เราจะไปอยู่ที่ที่อยู่ที่มีความสุขเราก็ต้องมีทรัพย์สินภายในใจติดตัวไป เหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศถ้าเรามีทรัพย์สินติดติดตัวไปเราก็สามารถเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าโรงแรมค่าอาหารค่าอะไรต่างๆได้เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเราไม่มีเงินทองติดตัวไปเราก็า จ, จะต้องไปอยู่ตามค่ายอบประยช์ที่เขาจัดไว้ให้กับคนยากคนจนคนที่ไม่มีเงินทองติดตัว มาจากประเทศของเขานี่คือเรื่องของทรัพย์ภายใน ใ, นใจการนิสินภายใน ใ, นใจที่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ความาใช้ความฉลาดความรู้นี้มามาวินิจฉัยว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรดี เมื่อเรารู้ว่าข้างหน้าถ้าเราไปทาสร้างนี่สินเราก็จะต้องไปใช้นิสินต่อไปถ้าเราไม่อยากจะไปใช้นิสินเราก็อย่าไปสร้างนี่สินน่สินทางใจหรือภายในใจก็คือการกระทำบาปต่างๆและการเสพอบายมุกนี้เองถ้าเราไม่อยากจะไปมีนี่สินติดตัวกับเราไป เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเสพ บ, บายมุกอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปดื่มสุรายามเมาอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวมากจนเกินไปเที่ยวได้บ้างเที่ยวพอหอมปากหอมคออันนี้ให้มันอยู่ในกรอบของรายได้ของเราอย่าเที่ยวจนกระทั่งเงินทองไม่พอใช้ ถ้าเรามีเงินทองเหลือใช้อยากจะไปเที่ยวบ้างก็เอาไปไปเที่ยวได้ mm hmm. เพราะเราก็ยังจะต้องหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่แต่ต้องให้รู้จักประมาณอย่าไปเที่ยวจนกระทั่งกายเป็นเหมือนกับเป็นยาเสพติดไปจะเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไม่เอางานเอาการอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเสียคนได้ mm hmm. อย่าไปเสพบาบายามุกแล้วก็อย่าไปทําบาปอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปพระพุทธผิดประเพณีอย่ายไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นเขาแล้วก็อย่าไปโกหกหลอกลวงกันถ้าเราหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านี้ได้นี่ศีลภายในใจของเราก็จะไม่มี เวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้สินกันสถานที่ในโลกทิพย์ที่เราไปใช้หนี้สินกันนี้เราเรียกว่าอบายอบายสี่มีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่หนึ่งก็คือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่ไปเป็นพวกสุนัขพวกแมวพวกวัวพวกควายพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ พวกนี้ล้วนเกิดมาจากการกระทําที่เขาทําบาปนามาในอดีตกันทั้งนั้นพวกนี้ก็ต้องเคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดโกหกหลอกลวงแล้วกเกษตรปรบา ย, ยมุกกันพอเวลาที่ร่างกายเขาตายไปเขาก็บางทีก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ดิบฉานกันนแล้วนอกจาก การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังมีอีกสามที่ด้วยกันที่ไปของผู้กระทำบาป ท, ที่ไปที่ไปใช้นี่ศินภายในใจพวกนี้ไม่มีร่างกายเหมือนสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความทุกข์ถ้าดวงวิญ ญ, ญาณทุกข์ด้วยความหิวโหวย mm hmm. ก็เรียกว่าเปรต mm hmm. พวกเปรต น, นี้ก็คือพวกที่เวลาที่มีชีวิตอยู่ ชอบไปทำบาปเพราะความโลภอยากได้เงินทองมากๆอยากมีอะไรมากๆ ก, ก็เลยใช้วิธีหามาโดยการกระทำบาปเช่นไปช่อโกงโกงหกหลอกลวงไปลักทรัพย์หรือบางทีไปฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการมาอันนี้พวกนี้เราเรียกว่า เป็นพวกเวลาตายไปนี้ดวงวิญญาณจะเป็นพวกเปรตพวกเปรตนี้เขาจะมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วพวกที่สามดวงวิญญาณพวกนี้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวทุกข์เพราะความกลัวกลัวคนนั้นคนนี้กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเกิดความกลัว ในตอนที่เป็นมนุษย์ก็จะไปทำบาปเพื่อดับความกลัวของตนเองใครมาทำให้ตัวเองระแวงว่าจะมาทำร้ายตนก็ไปทำร้ายเขาก่อนถ้าเจอสัตว์ที่จะมากัดต่อยมีมด ม, มแีแมลงมีอะไรต่างๆมีงูมีอะไรเข้ามาในบ้านก็จะฆ่าเขาทันทีตรงนี้ เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นอ ส, สุรกายแล้วพวกที่สี่พวกนี้ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาปตาต่อตาฟันต่อฟันต้ อ, ตองล้างแค้นกันเวลาใครทำให้เราโกรธทำให้เราเสียหายนี่เราจะต้องล้างแค้นเขาอันนี้ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาป ก็จะเป็นนรกจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนเผาผลาญจิตใจความร้อนที่เกิดจากความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทต่างๆนี่นี่คือหนี้สินภายในใจที่ถ้าเราทำบาปกันถ้าเราเสพอบายามุกกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ต่างทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำบาบด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกถ้าเราไม่อยากที่จะไปใช้นี่ศินเราก็อย่าไปสร้างนี่ศินกันอย่าไปเสพะบายามุกอย่าไปทำบาบอยา่ายไปฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี พูดปลดโกโหกหลอกลวงถ้าเราไม่ทำบาปหนี้สินก็ไม่มีมเหมือนตอนนี้ถ้าเราน ไ, ไปกู้หนี้ยืมสินเราก็ไม่มีหนี้<ม>แต่ถ้าเราไปซื้อของแล้วซื้อผ่อนส่งอย่างนี้เราก็เป็นหนี้ขึ้นมาทันที<ม>ก่อนที่เราจะซื้ออะไรก่อนที่เราจะทำอะไรคิดให้ดีซะก่อนการเป็นหนี้มันมีความสุขเหรอ<ม>ถึงแม้จะมีความสุขจาก การได้สิ่งที่เราอยากได้แต่มันเป็นสุกต้นแล้วมาทุกปลายมีความสุขตอนที่ได้ของมาแต่ก็ต้องมาทุกข์กับการผ่อนหนี้ส่งหนี้แล้วถ้าเราไม่สามารถผ่อนหนี้ได้คืนหนี้ได้ก็อาจจะมาถูกยึดทรัพย์สินไปจนได้ดันั้นอย่าไปสร้างหนี้สร้างศินไม่ดีมันชั่วเอา อ, อดอดอ ด, อดไว้อดไ ว, ไว้เก็บเงินเก็บทองสะสมเงินทองไว้ก่อนดีกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าไว้รอให้มีเงินทองแล้วอยากจะซื้ออะไรค่อยซื้อดีกว่าอย่างนี้เราก็จะไม่มีหนี้มีสินแต่นี้สินทางใจนี้เราก็ต้องอดด้วยการไม่ทำบาปด้วยการไม่เสพอบายมุขถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ รับประกันได้ว่าเราจะไม่มีหนี้สินภายในใจเวลาตายไปนี่เราไม่ต้องไปใช้หนี้ใช้สินใะไแล้วถ้าเราอยากจะไปไปรับความสุขในโลกทิพย์ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ตามระดับต่างๆโลกทิพย์นี้ก็เป็นเหมือนสถานประเทศที่เราไปท่องเที่ยวกันต่างประเทศแต่ละประเทศก็มีสถานที่ท่องเที่ยวชนิดต่างๆ ถ้าเราไปไเที่ยวไปได้ชมกันการที่เราจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศได้เราก็ต้องมีเงินทองติดตัวไปการที่เราจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เราก็ต้องมีทรัพย์ภายในติดตัวไปทรัพย์ภายในที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกัน เงินตราของประเทศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็ต้องมีเงินญี่ปุ่นไปไปเที่ยวประเทศทางอเมริกาก็ต้องมีเงินดอลลาร์ไปเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็จะใช้เงินสกุลทรัพย์ภายในสกุลต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวขั้นที่สูงกว่า ขั้นที่เราอยู่กันคือขั้นของมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าสวรรค์ของสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องสะสมทรัพย์ภายในเรียกว่าทรัพย์ทรัพย์ระดับเทพหรือเทพพยาทรัพย์ระดับเทพการที่เราจะสะสมเทพทรัพย์ของระดับเทพนี้ก็เกิดจากการที่เราทําบุญทําทานนี่เองทําความดีต่างๆเสียสละ ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้เ mm hmm. ั้นเราทําบุญใส่บาตรอย่างนี้ก็เรียกว่าเรากําลังสะสมทรัพย์ทรัพย์ในระดับของเทวดาเทวทรัพย์ mm hmm. การทําบุญทําทานไม่ว่าจะใช้หนี้ไหนก็ตามนี้เรียกว่าเป็นการสะสมเทวทรัพย์กันทําบุญกับใครก็ได้ทําบุญกับ บิดามารดาผู้มีพระคุณทำบุญกับวัดกับพระศาสนาทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานดะสัตว์เลร่อนทำบุญกับสัตว์ที่จะถูกฆ่าไปปล่อยสัตว์ไปถ่ายชีวิตวัวควายปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไปทำบุญกับคนที่เขาทุกขยากเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือคนชราคนพิการคนคนที่พิการทางสมองเป็นต้นที่ไม่สามารถทึ่งตนเองได้ต้องอาศัยความเมตตาความช่วยเหลือของผู้อื่นถ้าเราไปทําให้ความช่วยเหลือกับบุคคลต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าเรากำลังสร้างเทวทรัพย์กันเราจะมีทรัพย์ภายในที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้เราสามารถที่จะไปเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพกันได้สวรรค์ชั้นเทพนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นหกกชั้นด้วยกันขึ้น อ, อยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำน้อยก็จะอยู่สวรรค์ชั้นต่ำมีความสุขน้อยเหมือนกับโรงแรม โรงแรมก็มีดาวแบ่งดาวกันหนึ่งดาวสงดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวถ้ามีดาวมากความสุขการบริการก็จะมีมากบริการให้ความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นชั้นใดสวรรค์ก็เช่นเดียวกันสวรรค์ก็มีดาวหนึ่งดาวสงดาวสามดาวส่ดาวห้าดาวหกดาวทําบุญ ก็ทําบุญน้อยก็ได้ได้สวรรค์ชั้นหนึ่งดาวทำบุญมากขึ้นก็ได้2ดาว3าดาวได้การบริการที่ดีขึ้นได้ความสุขที่มากขึ้นไปตามลําดับนี่คือเรื่องของการสะสมทรัพย์ภายในในระดับของเทวทรัพย์ถ้าเราเวลาตายไปแล้วเราไม่อยากจะไปอบายเราก็อย่าไปสร้างหนี้ศินกันอย่าไปทําบาปอย่าไปฆ่าสัตว์ อย่าไปเสพอบายามุขเนี่ยแล้วก็ขยันทําบุญทําบุญทําทานกัน<ม>เบื้องต้นทํากับคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือบิดามารดาของเราก่อน<ม>เลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบาย<ม>อันนี้เราก็ได้ทําบุญได้สร้างเทวทรัพย์ขึ้นมาแนละ้ว<ม>เลี้ยงเลี้ยงดูแลบุตรธิดาสามีภรรยาของเรา<ม><ม>อันนี้ก็เป็นการสร้างเทวทรัพย์ขึ้นมา อ, อย่างนั้นเราก็ออกไปทําบุญกับบุคคลภายนอก<ม>ทําบุญกับพระศาสนาถ้าเรามีศรัทธามีความเคารพเริ่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากให้ศาสนาอยู่คู่โลกคู่กับโลกนี้ไปนานๆเราน<ม>ก็ไปทําบุญกับพระศาสนา<ม>ทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเช่นถวายถวายพระตาหารหลักบาร์ดถวายอาหาร ที่วัดก็ได้หรือถวายสังฆทานสวายกฐินถวายภาพป่าช่วยกันสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างกุเิสร้างศาลาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เห่านี้เรียกว่าเป็นการสะสมเทวรั์นี่คือการสร้างซั์ภายในใจระดับเทวซั์ซึ่งเป็นความสุขระดับที่ ต่ำกว่ายังมีความสุขที่สูงกว่าอีกอยู่อีกสองระดับด้วยกันก็คือระดับพรหมสัพและระดับอริยรัพถ้าอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขของเทวสัพเราก็ต้องมาสร้างพรหมรัพกันการจะสร้างพรหมสัพนี้ก็สร้างด้วยการไปไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิจตภาวนา แล้วก็ต้องไปถือศีลแปดด้วยต้องไปเป็นนักบวชจะบวชแบบชั่วคราวก็ถือศีลแปถ้าบวชถาวรก็ไปถือศีลสิบหรือศีลสองอยดอันนี้ก็จะเรียกว่าบวชยาวแต่ตอนต้นเราอาจจะไปไปบวชสั้นๆก่อนเช่นไปวันพระวันพระวันหยุดหรือวันไหนที่เราว่างจากการทำงาน เราถ้าไปอยู่วัดได้เราก็ไปอยู่วัดแล้วเราก็ไปถือศีลบวชกันไปถือศีลแปดไปละการหาความสุขของเทวของของเทวดาเทวดานี้เขาหาความสุขจากการเสพกามเสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ละเอียดกว่าที่มีความสุขมากกว่าความสุขของเทวดา เราก็ต้องละเว้นการเสพความสุขของเทวดาคือละเว้นจากการเสพกามด้วยการมาถือศีลแปดศีลก็สามเราก็เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอบ布拉มจาริยา <Yeah. S 1> ละเว้นจากการร่วมเพศกับคู่ครองของเรา <Yeah. S 1> แล้วก็ละเว้นจากการรับประทานอาหารหาหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยา รับประทานอาหารเพื่อดับความทุกข์ดับความหิวของร่างกายแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อหาความสุขเช่นรับประทานหลายๆมือ้อแล้วก็รับประทานแบบรู้หลาจัดงานปาร์ตี้กันอะไรทำนองนี้รับประทานพอให้อิ่มท้องข้าวคุกน้ำปลาอย่างนี้เป็นต้นกินแบบไม่ได้หาความสุขกินเพื่อดับความหิวเรียกว่าศสีลข้อหก แล้วก็ไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่จำเป็นถ้าจะกินเพื่อย ย, ยาร่างกายไม่ให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ขาดอาหารก็กินแค่ช่วงเช้าก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันแล้วเราจะได้มีเวลาว่างมาให้กับการมาสร้างความสุขในระดับพรหมรัพย์แล้วเราก็จะถือสีลข้อ7ก็คือเราจะไม่ไป หาความสุขจากการท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงตามมหัศลศพลงมหัศลศพต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ว่าจะด้วยเครื่องสมานก็ดีด้วยเสื้อผ้าพรก็ดีด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆก็ดีหรือสมัยนี้ก็มีการเสริม ของปลอมเข้าไปกันด้วยการทำสัญญกรรมต่างๆหึ่งตาหึงหน้าหนึงจมูกหึงอะไรกันขึ้นมาอันนี้เป็นการหาความสุขทางร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นการหาความสุขของพรหมการจะหาความสุขของพรหมที่มีความสุขมากกว่าและละเอียดกว่านั้นจะต้องหาความสุขจากการภาวนาที่เรียกว่า สมถภ า, ภาวนาในการทําใจให้สงบจะต้องมีเวลาถ้าเราเอาเวลาไปหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรายังไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอยู่ไปเสรสวยความงามไปตามร้านร้านเสริมสวยตามคลินิกสัญญกรรมต่า ง, งๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําสมถภาวนามา มาสร้างพรหมทรัพย์กันเราก็ต้องห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากลูกเสียงกยลิ่นรสต่างๆแล้วก็ห้ามไม่ให้เรานอนมากเกินไปศสีลข้อแปดนีห้ามไม่ให้เรานอนมากวิธีนอนไม่นอนมากก็ต้องนอนบนเตียงที่ไม่สำราญไม่ไม่ใช่ไม่นอนบนเตียงที่สุขที่สบายที่มีฟูกหนาะๆนะ นอนแล้วอยากตื่นแล้วก็อยากจะนอนต่อให้นอนบนพื้นแข็งๆพื้นที่แข็งปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้าเรานอนบนเตียงที่สำรานที่มีฟูกหนะนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วใจก็จะไม่อยากจะลุกยังติดความสุขจากการนอนอยู่ ก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงทําให้เสียเวลามีค่าที่จะมาใช้กับการสร้างทรัพย์ภายในเพราะการสร้างทรัพย์ภายในนี้เป็นของที่ต้องใช้เวลามากไม่เหมือนกับการสร้างเทวทรัพย์นี่การสร้างเทวทรัพย์น่ง่ายเพียงแต่เสียสละเงินทองที่เรามีอยู่ไปเท่านั้นเองทําบุญทําทานไปสายบาทปุ๊บเราก็ได้เทวทรัพย์ขึ้นมา ปล่อยนกปล่อยปลาไปเราก็ได้เทวทับขึ้นมาแต่การที่จะทำให้ได้พรหมซั์นี้เราจะต้องมีเวลาปฏิบัติสติเพื่อควบคุมใจให้นิ่งให้สงบต้องเจริญสติการทำสมถะภาวนานก็ทำให้เพื่อทำให้ใจนิ่งสงบเพราะเวลาใจนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขของพรหมขึ้นมา แต่การที่จะทำให้ใจนี้นิ่งได้นี้ต้องคอยควบคุมใจทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเพราะใจของเรานี้ชอบเคลื่อนไหวชอบคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอลืมตาขึ้นมาปั๊บนี่มันก็จะเริ่มคิดเลยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดไปตลอดทั้งวันอย่างญาติโยมเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถึงตอนนี้เคยหยุดคิดหรือยัง อาจจะมาหยุดคิดช่วงนี้เนะี่ยเพราะว่ามาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าตั้งใจฟังเทศฟังธรรมก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะคอยห้ามความคิดของเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเราจดจออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยากจะให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับคบําบาลีคำพุทโธก็ได้พอลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มพุทโธไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็ไปทํากิจส่วนตัวของเราอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล่นเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารหรือทําอะไรที่เราต้องทํากันโดยที่พยายามไม่ให้คิดเพราะงนานเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิด อาน้านัหน้าแปลงันเป็นงานที่เราทําประจำอยู่รู้อยู่รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างไรยึงไม่ต้องใช้ความคิดไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปทํางานที่ที่ทำงานนี้จะต้องใช้ความคิดคิดวางแผนว่าจะทำอย่างไรกับสินค้าชนิดนี้คิดวางแผนว่าจะไปติดต่อกับลูกค้าอย่างไรมันต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทํางานเราก็ไม่ต้องใช้ความคิดเหล่านี้ เราก็จะมีเวลาที่เราจะคอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้ทั้งวันทั้งคืนการที่เราจะสร้างพรหมรย์ขึ้นมานี้จะเป็นที่จะต้องทำในวันที่เราไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเพราะถ้าเราไปทำงานภารกิจการงานอย่างอื่นนี้เราจะไม่สามารถใช้สติคอยควบคุมความคิดได้เพราะมันมีความจำเป็นจะต้องคิด ทำงานมันก็ต้องคิดว่าต้องทำอะไรบ้างต้องติดต่อคนนั้นต้องติดต่อคนนี้ต้องสั่งของต้องซื้อของต้องอะไรร้อย800ดพัประการถ้าอยากจะสร้างพรหมรับสร้างความสงบของใจนี้เราต้องมาสร้างในวันที่เราไม่ทำงานเช่นวันเสราร์วันอาทิตย์ถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราอยากจะมาสร้างพรหมรับเราก็ลองไปติดต่อกับวัดที่เขามีที่ให้เราได้ปฏิบัติให้เราได้อยู่ตามกำแพง ให้เราได้ปฏิบัติสติให้เราได้นั่งสมาธิของเราตามลำพังถ้าเราสามารถไปหาวัดที่มีที่ให้เราอยู่ตามลำพังได้ให้เราปฏิบัติตามลำพังได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวใครไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเราก็จะสามารถที่จะใช้สติคอยควบคุมความคิดไม่ <c oughs> ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราไม่คิดได้เวลาเรานั่งสมาธินี้ใจก็จะนิ่งจะสงบ ใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้การที่เราได้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้นี้ก็เรียกว่าเราได้เข้าสู่พรหมสัพนะพรหมรัพย์นี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันตามระดับของความสงบของสมาธิที่มีอยู่สองระดับคือระดับรูกประชานกับอรูปประชาน ถ้าเราเข้าในระดับรูปฌานได้ที่มีอยู่สี่ขั้นรูปฌานหนึ่งสองสามสี่เราก็จะเข้าสูพ่พรหมรัพย์ในระดับใ น, ในระดับของรูปประพรม <Yeah. S 1> เรียกว่ารูปประพรมหรือ <Yeah. S 1> เรียกว่าสวรรค์ชั้นรูปรูปประพรมเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าความสุขของเทถของสวรรค์ชั้นเทพ แต่ยังมีความสุขที่น้อยกว่าความสุขของชั้นอรูปปฐมการที่เราจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นอรูปปฐมได้เราต้องสร้างอารู ป, ปรทรัพย์ด้วยการเจริญสติให้มากขึ้นเพื่อให้ใจนิ่งกว่าขั้นรูปปะชาให้นิ่งกว่าคือเหนือรูปปัญหาขึ้นไปก็คือขั้นอรูปปัญหาขั้นอรูปปะชาาก็มีอยู่สี่ อันนี้ถ้าเราเข้าสู่ขั้นอรูปฌปานได้เราก็จะได้อรูปทรัพย์เราก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นอรูปปฐมเวลาร่างกายตายไปเราก็จะได้ไปเป็นอรูปปฐมนี่คือสวรรค์ชั้นต่างๆที่เราสามารถสร้างด้วยทรัพย์ภายในสวรรค์ชั้นเทพเราก็ใช้ ใช้สร้างด้วยการทําบุญทําทานสร้างสร้างเทวซัพท์ขึ้นมาด้วยการทําบุญทําทานสวรรค์ชั้นรูปภพกับอรูปภพเราก็ใช้การสร้างอรูปซัพ์อรูปภพมาซับรูปรูปภพมาซั์ขึ้นมาภพมาซั์ขึ้นมามีภพมาซับสองระดับรูปภพกับอรูปภพ แต่สวรรค์ทั้งหมดนี้ที่กล่าวถึงนี้เรียกว่ายังเป็นสวรรค์ชั่วคราวอยู่ mm. คือหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นที่เราได้ทำเอาไว้ mm. ถ้าเราทำบุญทำทานเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเรานั่งสมาธิเข้าสู่ระดับรูปฌานได้เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปปฐมถ้าเรานั่งสมาธิเข้าสู่ อรูปฌานได้เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอรูปรภพแต่สวรรค์ทั้งสามระดับนี้เป็นสวรรค์ชั่วคราวคือมันจะต้องมีวันเสรอมมีวันหมดเวลาที่บุญที่ส่งเราไปมันหมดเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวเราก็ใช้เงินอย่างเดียวใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวสะพังเงินก็หมดพอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านเพื่อมาทางานหาเงินหาทองมา สวรรค์เหล่านี้ก็เหมือนกันสวรรค์เหล่านี้ก็เหมือนที่เราไปท่องเที่ยวกันพอเงินที่ส่งเราไปเที่ยวนั้นมันหมดเราก็ต้องกลับมาบ้านบ้านของเราก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะได้มาสร้างทรัพย์ภายในกันใหม่ถ้าเราเคยสร้างเทวทรัพย์เราก็กลับมาสร้างเทวทรัพย์ถ้าเราเคยสร้างพรหมทรัพย์เราก็จะกลับมาสร้างพรหมทรัพย์กันใหม่ เราจึงมีคนที่ชอบทำบุญทาทานไม่เหมือนกันพวกที่ชอบไปสร้างหนี้หนี้นี้สินภายในเวลาตายไปก็ไปเกิดในอบายแล้วพอใช้หนี้หมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ออกมาจากอบายก็มักจะกลับมาสร้างหนี้ใหม่พวกที่เคยเสพอบา ย, ยมุข ก, ก็จะกลับมาเสพอบา ย, ยมุขใหม่พวกที่ชอบทาบุญชอบทำบาป ก็จะมาทำบาปใหม่พวกเสบบบายามุ ก, กับพวกทำบาปนี้มักจะไปคู่กันเสบบบายามุกแล้วก็ไปทำบาปพอามาเป็นมนุษย์ก็กลับมาทำแบบเดิมพวกที่ชอบทำบุญพวกที่กลับมาจากสวรรค์ชั้นเทพเป็นพวกที่ชอบทำบุญพอ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทำบุญใหม่มาสะสม เ, เทวทรัพย์ใหม่พวกที่ชอบไปนั่งสมาธิไปบวชก็จะมา มาบวชให ม, ม่ไปฝึกสมาธิใหม่อันนี้เพราะว่าพอเราทําอะไรไปมากๆนานแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปฝังเป็นนิสัยเราจึงมีคนที่เป็นในโลกมนุษย์นี้มีมีนิสัยต่างกันคนที่มีนิสัยชอบเสพอบายยมุขชอบทําบาปก็มีคนที่มีนิ ส, ส, บบกกนนสัยไม่เสพประบายยมุขไม่ทําบาป ก, ก็มีชอบทำบุญก็มีชอบไปบวชก็มีอันนี้เป็นเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันบูกฝังมาในอดีตชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราจรึงมีความชอบทำบุญทำบาปไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองนี่คือสาเหตุว่าว่าเรายังทำบุญในระดับที่ยังยังยังไม่ถาวรยังมีสวรรค์ที่ยัง ที่ที่มีความสุขที่มากกว่าสวรรค์ของชั้นพรหมอระดับหนึ่งเรียกว่าสวรรค์ชั้นอริยะเจ้าหรืออริยทรัพย์สวรรค์ชั้นนี้แหละเป็นสวรรค์ที่ถ้าเราขึ้นไปถึงแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่ามันเป็นสวรรค์ที่ไม่เสือ่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นเทพและการที่เราจะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นอริยะเจ้าได้นี่หรืออริยทรัพย์ได้เราต้องสะสมอริยทรัพย์ วิธีสะสมอริยทรัพย์เราก็ต้องต่อยอดจากที่เราได้สะสมในระดับพรหมทรัพย์ก่อนที่เราจะมาสร้างอริยทรัพย์ได้นี้เราต้องมีพรหมทรัพย์ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะไปสร้างพรหมทรัพย์ได้นี้เราก็ต้องมีเทวทรัพย์ก่อนเราก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปตามลําดับสมมติว่าเราได้พรหมทรัพย์แล้วเราสามารถนั่งสมาธิ เข้าฌานได้ระดับต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะทําให้สวรรค์ชั้นพรมนี้กลายเป็นสวรรค์ชั้นอริยเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา mm hmm. การบําเพ็ญภาวนานี้มีสองระดับระดับเรกเรียกระดับแรกเรียกว่าสมถาภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา mm hmm. ถ้าเราทําสมถาภาวนาเราก็ใช้สติ คอควบคุมความคิดหยุดความคิดเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นฌานขึ้นมาเราก็จะได้พรหมสัพพ์แล้วถ้าเราอยากจะได้อริยสัพพ์เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็มาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าความทุกข์ใจสิ่งที่จะมาทำลายความสุขใจของเราที่เราได้จากจากความสงบคือพรหมสัพพ์นี้ ก็คือความอยากต่างๆของเรานี่เองพอเราจากสมาธิมานี้เรายังมีความอยากที่มันยังไม่ตายอยู่คือยังมีความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากจะมาหาความสุขจากการการมีความสงบจากการเข้าสมาธิอยู่แต่เราต้องเห็นว่าการหาความสุขจากกามก็ดีหาความสุขจากความสงบของสมาธิก็ดีนี้ มันเป็นของไม่เที่ยงของชั่วคราวของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ได้แล้วแล้วเวลามันหมดไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์มาเช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับการสูญเสียความสุขที่เราได้มาจากการการมาคุณห้าก็ดีหรือจากความสงบ ของรูปฌานหรืออารมูปฌานก็ดีเราก็ต้องหยุดมันหยุดความอยากนี้ให้ได้อย่าไปเสษมันให้สอนใจว่าถ้าไปหาความสุขจากการมาสุขจากรูปฌานหรืออรูปฌานเราก็จะเราก็จะต้องเจอความทุกข์เวลาที่การการมาสุขมันเสื่อมไปหรือความสุขของรูปฌานหรืออรมูปฌานมันเสื่อมไปคือเราต้องให้เห็นว่าการมาสุขรูปฌาน และการสุขจากรูประชานหรืออารูประชานนี้เป็นของชั่วข่าวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้า เ, าเวลาที่เรามันที่เราสูญเสียมันไปมันจะทำให้ใจเราทุกข์นี่ก็คือการสอนใจให้เห็นตายลักษ์ตายลักษ์ในในการมาสุขตายลักษ์ในความสุขของสมาธิระดับรูปประชาน และความสุขของสมาธิระดับอรูปฌานถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากได้เราก็จะสกัดความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราให้หายไปหมดได้พอใจของเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจของเราก็จะสงบสุขไปตลอดไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมามาสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปใจที่ได้ถึงระดับนี้เราเรียกว่านิพพานใจของผู้ที่สามารถสกัดกัน้นเลิกทำลายความอยากในคหาในการหาความสุขจากกามาสุขในการหาความสุขของสมาธิในระดับรูปฌานและอรูปฌานได้ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์กายที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพาน เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมากลับมาหาทรัพย์ใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาหาเทวทรัพย์ไม่ต้องมาหาพรหมทรัพย์ไม่ต้องมาหาอริยทรัพย์เพราะว่าอริยทรัพย์นี้ไม่มีวันเสื่อมได้แล้วได้เลยไม่เหมือนกับพรหมทรัพย์หรือเทวทรัพย์ได้เทวทรัพย์ก็ยังก็ต้องหมดหมยก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้พรหมมาซับบุตรก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างเทวมัพย์มาสร้างพรหมรัพย์ใหม่แต่ถ้าได้อริยทรัพย์แล้วนี้ได้ได้ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งขึ้นไปคือโสดาบันตกิดาคามีอนณาคามีและระดับอรหันต์แล้วนี้ได้แล้วจะไม่เสือ่อมได้แล้วมีแต่จะขยับขึ้นสูงขึ้นไปตามลํำดับจนถึงขั้นสูงสุด พอถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะไม่มีการที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกข์อย่างที่พวกเรายัางเป็นกันอยู่ไม่ว่าจะเกิดมารวยหรือจนสวยหรือไม่สวยนะสูงหรือต่ำก็ยังต้องเจอกับความทุกข์กันทุกคนเพราะว่าความทุกข์ของร่างกายเหมือนกันทุกคนเพราะว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนนั่นเองแต่ถ้าเราไม่กลับมาเกิด เราก็จะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ต่อไปอันนี้แหละคือทรัพย์ทรัพย์ภายในใจที่สูงสัตว์ที่สูงสุดก็คืออริยทรัพย์แต่การที่เราจะขึ้นหนึ่งทรัพย์สูงสุดได้เราก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับเบื้องต้นก็ต้องปิดต้องหยุดการสร้างหนี้สินทางภายในใจก่อนต้องหยุดการทำบาปหยุดการเสพอบา ย, ยามุขแล้วามาสร้างทรัพย์ขั้นเทวทรัพย์ด้วยการทาบุญทาทาน ต่อจากนั้นเราก็มาสร้างทรัพย์ของพรหมทรัพย์ด้วยการไปบวชไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมถะภาวนาใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นฌานระดับต่างๆเราก็จะได้ระดับพรหมทรัพย์แล้วถ้าเวลาออกจากออกจากสมาธิมาใจเกิดความทุกข์เกิดความอยากเกิดจากความอยากได้ อยากยิงอยากหาความสุขจากการมารมสุขหรืออยากจะหาความสุขจากสมาธิอีกเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ดังใจหรือเราสูญเสียมันไปเราก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมัอนอย่าไปหามัน พอเราเห็นว่าเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเราก็หยุดความอยากของเราพอไม่มีความอยากหรือวันนีในใจใจเราก็จะสงบไปตลอดสงบความสงบของใจก็คือความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดนั่นเองก็คือความสุขของพันธุ์พานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามาสะสมรัพ์ภายในใจของพวกเรากันต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็จะได้ไปสู่ที่ ที่ชอบที่ชอบอย่างที่เวลาคนตายไปเรามักจะพูดกันขอให้ไปสู่สุคติเถิดขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดแต่การจะไปสู่สุคติสู่ที่ชอบนี้อยู่ที่การสร้างทรัพย์ภายในหรือไม่สร้างทรัพย์ภายในถ้าไม่สร้างทรัพย์ภายในต่อให้พระอาหารหันต์มาวยพรให้ไปสู่สุคติก็ไปไม่ได้เพราะการให้พรนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่สู่ สวรรค์ชั้นต่างๆการที่เราจะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้อยู่ที่การสร้างทรัพย์ภายในของพวกเรานั่นเองดังนั้นขอให้พวกเรารีบมาสร้างทรัพย์ภายในกันเพราะเวลาของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเราจะตายกันไปเมื่อไหร่เราไม่รู้กันอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าตายไปแล้วโอกาสจะสร้างทรัพย์ภายในก็หมดไปต้องรอให้กลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้า ซึ่งข่าวหน้าอาจจะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ถ้าไม่เจอก็จะไม่มีใครมาสอนให้เรามาสร้างซัง์ภายในกันเราก็จะมัวแต่สร้างซัง์ภายนอกตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาสร้างซัง์ภายนอกกันใหมอ่อเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาริวาหาปูระปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิยทิ่ต่างปฏิต่างตุมหังทิพะเมวะสมมิจโตสเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะราโสยธานาิโชติอราโสยธาสะพีติโยวิวัจฉันตุสะพารโขวินาสตุมาเตภวตตวันตาลาโยสุขีตีขายุโกภวะ อาภวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตาโรโอธรรมวทาทันติอายุวโนโสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ก็เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถามหลังจากที่เลิกกันแล้วจะของาะไม่สะดวกเพราะต้องมีอะไรทําอย่างอื่นอีกใครอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง u ูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ กาบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทางเ c e b o o k พระอาจารย์494ท่านทาง y o u t u b บ295ท่านทางด r V Channel 76ท่านวิดีโอออนไลน์8ท่านกลับเฮา9ท่านผู้รับฟังไน้กุฏิ127ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,009 ท่านเจ้าค่ะ มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนักกุติกราบพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิจมลมหายใจหายไปก็จะพิจารณาตั้งแต่ตัวเองเริ่มปฏิสนธิค่อยๆเติบโตจากคันมารดาชนโตและตายไปในที่สุดเห็นร่างกายตัวเองถูกเผาจิตแยกออกมาดูร่างกายที่ถูกเผาไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่และควรทาอย่างไรต่อดีคะ โดยถ้าเราดูลมได้เราคนจะดูลมไปเรื่อยๆจะดีกว่าอย่าเพิ่งพิจารณาอย่าเพิ่งใช้ความคิดต่างๆยกเว้นว่ากรณีที่เราไม่สามารถดูลมได้น่าเช่นเกิดอาการทุกขเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาเราถึงใช้การพิจารณาถ้ายังดูลมได้หรือพุทโธได้คนจะดูลมไปหรือพุทโธไปจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไร คำถามต่อไปจากหน้ากุติเช้าค่ะน้อมกลับนมัสการท่านพระอาจารย์วันก่อนนั่งฟังเทศในป่าหน้ากุติกับพี่พามเป็นมุมสามเหลี่ยมมีงูหลงเข้ามาในวงพี่พามทำปากงูงูงูแต่ไม่มีเสียงตัวข้าพเจ้าได้ยินเสียงใบไม้แปลกๆเลยพยายามจ้องดูงูกําลังมุ่งหน้ามาตรง ต้นไม้ใหญ่น่าจะกำลังวัยรุ่นเลยหลับตาแล้วคิดว่าเรามาฟังธรรมพระอาจารย์ทำมาท่านคงปิดปากงไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดกลัวแต่อย่างใดคำถามอาการเช่นนี้คือการวางใจเฉยแท้หรือการวางใจเฉยเทียมค่ะถ้าใจเราไม่ทุกข์ก็เฉยแท้ถ้าเฉยแล้วใจยังตื่นเต้นตหนกอยู่ก็ยังไม่ไ ม, ไ, มไม่เฉยแท้ ้เเเฉฉยยจะรรูสึกไม่ดืออคำถามจากหน้ากุติกราบขอกาดพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกเห็นความไม่มีตัวตนเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับเห็นความไม่มีสาระในโลกเราควรทำเช่นใดต่อไปกราบน้ำมัสการพระคุณเจ้าครับก็คือสดดูเวลาเขาด่าเราเรายังรู้สึกโกรธเขาหรือเปล่าเวลาเขาแย่งแฟนเราไปเรายังรู้สึก เข้าใจหรือเปล่าถ้าเรายัางเศร้ายังก็ยั ง, ยงถือว่าเรายังมีตัวตนอยู่ถ้าเราไม่เศร้าเราเฉยเฉยใครจะาแฟนไปก็เอาไปไม่ใช่ของเราใครจะด่าเขาก็ไม่ได้ด่าเรา <c oughs> ด่าหูเราหูมันก็ไม่รู้เรื่องหูมันก็รับเสียงเข้ามาเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่มีตัวตนก็จะไม่เดือดร้อนจะเฉยเฉยได้ตัวรู้ก็รู้ไปเฉยเฉยว่ารู้ว่าเขาด่ารู้ว่าเขาแย่งแฟนเราไป แต่ไม่มีตัวตนก็ไม่มีตัวที่จะออกไปเสียใจกับการกระทาของคนอืนอ่นนั่นถึงจะถึงจะรู้ว่าไม่มีตัวตนจริงตอนนี้นั่งคิดว่าไม่มีตัวตนพอใครเข้ามาของไปใน่ร้องไห้เสียใจโกรธขึ้นมาอย่างนี้เป็นการเห็นแบบหลอกเราเองต้องต้องเห็นเห็นด้วยการสูญเสียอะไรไป มันจะบอกว่าว่าเรายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าถ้ามีตัวตนเราก็จะถือว่าเป็นของเราขึ้นมาถ้าเราไม่มีตัวตนเราก็จะไม่ถือว่าเป็นของเราของถ้าไม่ใช่ของเราเวลามันไปเราก็ไม่เดือดร้อนงั้นถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่กับการสูญเสียอยู่กับการพูดจาไม่อยเลาะหรือด่าว่ากล่าวเราก็แสดงว่าเรายังมีตัวตนออกไปรับอยู่ถ้าเรายังทุกข์กับมัน ถ้าเราไม่ทุกนั่นแะเราเฉยๆได้แสดงว่าเราไม่มีตัวตนจริงเรารู้เฉย ๆ, ๆคำถามจากทางช่องด็อกเตอร์วีชาแนลค่ะจากคุณชิร ล, ลัต บุญเวทกราบนมัสการพระอาจารย์การที่ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเป็นเรื่องของวิบากกรรมใช่ไหมคะโดยเฉพาะโรคร้ายวงเล็บมะเร็งนับเป็นโรค ก, กรรมที่เราต้องโชดใช้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นี่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องใหม่คะไม่ถูกหรอกข้อสรุปที่ถูกต้องก็คือการมาเกิดเกิแล้วทุกคนต้องเจ็บไขยได้ป่วยด้กันทุกคน ไม่ว่าจะทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างกันตรงที่เจ็บมากเจ็บน้อยเท่านั้นเองเจ็บนานหรือเจ็บไม่นานถ้าทำบาปมาก็อาจจะเจ็บมากเจ็บนานถ้าทำบาปน้อยไม่หรือไม่ได้ทำบาปมากก็จะไม่เจ็บมากไม่เจ็บนานแต่ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคน <c oughs> ถ้าไม่อยากจะเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องไปหยุดความอยากจะไปหยุดความอยากได้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมมีคำถามเลยขอสอบถามครับภูษณาให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมประสงค์เสร็จแล้วเนี่ยกลับไหว้แค่สามอย่างนี้แต่ว่าเราจำเป็นต้องไปไหว้เทวดาพรมเทพพูดผีสันเจ้า สารพ ร, ระภูมิสารพระเจ้าตากักศิลหรืออะไรอย่างนี้อีกไหมครับก็แล้วแต่ว่าเรามีความเคารพเขาหรือเปล่าทางเขมีพระคุณกับเราแล้วก็กราบไหว้เขาได้เช่นพ่อแม่เราก็ยังกราบไหว้พ่อแม่ได้คำ ว, ว่ากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ความหมายก็คือให้เชื่อในคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ก็ถ้าคำสอนของคนอดมีพุ่ไม่มีประโยชน์กับเราเราไม่ขัดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เราก็เชื่อได้แล้วก็กราบเขาได้เพาะแม่สอนเราทำดีอย่างนี้เราก็เชื่อได้รรไดรดรไดครูโรงเรียนที่เราไปเรียนหนังสือท่านสอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับเราเราก็กราบท่านได้กราบในฐานะที่ท่านให้ความรู้ของเราให้กับเราเพราะความรู้เหล่านี้เราไปทาประโยชน์ให้กับเราได้ไปทามาหากินยังชีพได้ แต่ความหมายของการเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเชื่อว่าคําสอนของพระเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์นี้จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีใครในโลกนี้จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะคาสอนของคนอื่นนี้จะทําให้เรายังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เขาไม่มีเพราะคนเหล่านี้เขายังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่เลยจะเป็นเทวดาเป็นผู้ผีปีศาจเป็นอะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเรียนตามโรงเรียนตา่างๆท่านยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ท่านยังไม่รู้จักวิธีทําให้ตัวท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ท, ท, ที่รู้จักวิธีถ้ า, าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเชื่อพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์น แต่เรื่องอื่นเราก็ยังเชื่อได้เ<ม>ช่น<ม>เราไปเราอยาขับรถเราก็ต้องไปหัดจากคนที่เขาขับรถเป็นใช่ไหแเรวก็ต้องเชื่อเขาเขาสอนให้วิธีขับรถขับยังไงเราก็ต้องเชื่อเขาแ้่มันเป็นเชื่อคนละอย่างกันเข้าใจนะยังกราบได้ยังไหว้ได้ครูสอนให้เราขับรถเป็นแล้วก็ไหว้เขาได้ขอบคุณเขาได้เขาเป็นอาจารย์เรา พ่อแม่เลี้ยงดูเราสอนให้เราเดินให้เรานั่งให้เรากินให้เราดื่มแล้วก็ต้องถือแล้วก็ต้องกราบพ่อแม่เราได้ท่านก็มีพระคุณกับเราคําถามต่อไปจากคนแชทชาตรีค่ะการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นควรฝึกพิจารณาทุกครั้งหลังทําสมาธิหรือจเจริญสติแล้วใช่ไหมคะ คือการฝึกต้องฝึกในช่วงที่เราไม่ได้ทำสมาธิเพราะช่วงทำสมาธิเราต้องหยุดความคิดใช้ความคิดไม่ได้เพราะถ้าเราใช้ความคิดมันก็จะไม่เป็นสมาธิมันจะไม่สงบในเวลาที่เราทำสมาธิหรืออยู่ในสมาธิเราไม่เราไม่ไปทางปัญญาเราจะให้จิตนิ่งให้สงบไปนานๆเพราะการสงบนี้มันเป็นเหมือ น, นอาหารของใจ จิตสงบได้นานจิตก็จะมีความสุขมีความอิ่มไปนานความหิวความอยากก็จะขึ้นมายากแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากจะสอนใจให้ฉลาดเราก็ต้องสอนใจให้คิดว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเพราะเวลาสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงมันก็จะต้องมีวันเปลี่ยนไปหรือวันหมดไปพอมันหมดไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ได้ นั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาต่อมาให้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขความจริงมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่แน่นอน คำถามต่อไปจากนายพยายามรักษาดีกราบขออนุญาตขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าหากบุคคลที่เคยผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งต้องใช้เวลานานเพียงใดถึงจะมีศีลบริสุทธิ์หากบุคคลนั้นพยายามกลับมารักษาศีลให้บริสุทธิ์หลังจากเคยทำผิดพลาดมาครับก็มันก็พอเราไม่ทำผิดศีลมันก็บริสุทธิ์ ตอนมันผิดศีลมันก็ด่างพรอยก็เท่านั้นแหละมไม่ได้มีเวลาหรอกสมมถ้าเราทําบาปปั๊บวันนี้ uh. วันนี้ก็ถือว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าพรุ่งนี้เราไม่ทําบาปมันก็บริสุทธิ์แล้วถ้าลัาาบวรนลือนี้เราไม่ทําบาปมันก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆแต่พอเราไปทําบาปต่อไปอมันก็ไม่บริสุทธิ์อีกมันก็สลับไปสลับมาอย่างนี้แหละคําถามต่อไปจากคุณจิราภัฒน น้อมกราบในมัสการคุณป้าอายุ81สวดมนต์ไม่ได้หากให้ป้าหัดบริกรรมคำว่าพุโทโธบ่อยๆเท่าที่ท่านมีสติคิดได้จะช่วยสร้างสมาธิสร้างหลักยึดทางจิตใจให้แก่ท่านได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ถ้าสวดไม่ได้ก็ดูลมหายใจเข้าก็ได้คำถามต่อไปจากคุณคุณทิ นั่งสมาธิจนเห็นเวทนาแยกจากกายโดยมีผู้รู้ดูแต่ไม่มีสัญญาและสังขารแต่เมื่อออกจากสมาธิก็ไม่ทันกิเลสเพราะหลงไปคิดว่าตนเองรู้ธทรรมแล้วเกิดความลำพองใจขอนาัสการถามพระอาจารย์ว่าควรแก้ไขอย่างไรคะเขาต้องมีสติเวลาออกจากสมาธิมาต้องรักษาสติต่อไปต้องพุโทโธต่อไป ถ้าไม่มีพุโทโธรักษ า, าเดี๋ยวมันก็กิเลสก็โผล่ขึ้นมาได้หรือถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมาได้ก็ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาหยุดกิเลสไปคำถามจากคุณพั ช, พ ช, พชยาขอากาบสอบถามพระอาจารย์ครับว่าเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วใช้บริการบริษัทกาจัดปวกมาฉีดที่บ้านถือว่าบาปไหมครับขอบพระคุณครับ ถ้าเราไม่ไปสั่งเขาโดยตร ง, ตรงเขามาทำตามหน้าที่ของเขาเราก็ไม่บาปถ้าเราสั่งเขาว่าช่วยมาช่วยมากำจัดปลวกให้หน่อ ย, อยก็บาปแต่ถ้าเราบอกเขาว่าที่บ้านมีปลวกแล้วเขาอาสามาเองนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาแเราเพียงแต่บอกเขาเล่าให้เขาฟังว่าเรามีปัญหาอย่างนี้แล้วเขามีความเมตตาเขาอยากจะมาช่วยเรากาจัดให้ก็เป็นเรื่องของเขาไป เราก็ให้รางวัลเข้าไปเราค่าเงินตอบแทนเขาไปเพรานั้นอย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาโดยตรงแต่ถ้าบอกเขาพี่มาช่วยช่วยกำจัดตลวกให้หน่อยมันขึ้นบ้านถ้าบอกเขาเงียบบาปทําเองก็ดีสั่งให้เขาทําก็ดีบาปแต่ถ้าบอกบอกเขาเล่าให้เขาฟังแล้วก็มาทําเองโดยที่เราไม่ได้สั่งไม่บาป คำถามจากคุณเอกชยัยผมฝึกนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจอย่างเดียวมาปีกว่าแล้วแต่ทําไมจิตไม่เคยสงบเลยแม้แต่นิดเดียวครับความคิดมันชอบเข้ามารบ ก, กวนทุกครั้งที่นั่งผมจะทํำยังไงดีครับที่<บ>จะทําให้ผมก้าวหน้าในการนั่งสมาธิพรสติเราน้อยไปต้องฝึกสติมาก่อนมานั่ง ต้องมันหยุดความคิดตั้งแต่เตินขึ้นมาพอลืมตามก็พุโทโธพุโทโธคอยสกัดความคิดไว้เรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วพอเวล า, า, ามานั่งเราดูลมความคิดก็จะมีน้อยแล้วก็จะสงบได้คำถามต่อไปจากคุณสุวรรณีกราบหลวงพ่อคะ่ะบุญที่เราทำให้ผู้เสียชีวิตเขาจะสุขสบายขึ้นหรือไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นแลวอาจจะไปอยู่ภพที่ดีขึ้นก็ได้แล้วแต่ว่า เขาต้องการมากก็ต้องการน้อยถ้าต้องการมากมันอาจจะยังไม่พอก็ต้องส่งไปเรื่อ ย, อยถ้าก็ต้องการน้อยพอส่งไปปุ๊บก็พอกับที่เขาต้องการเขาก็ไปได้เลยก็นีคำถามจากคุณขวัญข้าวทำไมทางโลกกับทางธรรมถึงไปได้วยกันไม่ได้ครับกับสาธุคะ่ะเพราะทางโลกเหมือนไฟทางธรรมเหมือนน้าน้ำดับไฟมันเป็นคนละทางกัน ถ้ามีน้ำดับไฟไฟก็ไม่ลุกถ้าไม่มีน้ำไฟก็จะลุกคำถามจาก Facebook เจ้าค่ะกลับ น, นมรสกการพาจารย์ค่ะอยากเรียนถามพาจารย์ว่าในชีวิตของค า, า, ารวาสซึ่งมีกิจทั้งชีวิตครอบครัวและการงานหากต้องการปฏิบัติอย่างจริงจังควรต้องลดเวลาในการทำงานลงใช่ไหมคะก็ทำเท่าที่จำเป็นไม่จาเป็นจะต้องทำเพื่อร่าเพื่อ ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเหมือนพระพระก็ยังต้องทํางานอยู่ทุกวันก็ต้องออกไปบินทบาทนะไปหาข้าวกินก็ทําแค่ชั่วโมงเดียวก็พอพอมีข้าวกินแล้วก็จบละไม่ต้องไปทํามากไม่เอาไม่เอไม่หวังเอาทรัพย์สมบัติไม่หวังความนั่งรวยทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพออยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติทําได้มากขึ้น คำถามต่อไปจากคุณจอมจิตเวลานั่งสมาธิแล้วคิดฟุ้งซ่านควรบังคับจิตใจให้หยุดคิดด้วยคําบริกรรมพุทโธหรือควรแค่รู้และตามความคิดแต่ไม่บังคับให้หยุดคิดกลับขอความเมตตาต้องใช้พุทโธอย่างเดียวถึงจะหยุดได้ถ้าไปตามความคิดเดี๋ยวมันก็คิดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดถ้ารู้เฉยๆมันไม่หยุดก็มันก็ไม่หยุดถ้าเราไม่มีสติพอเน้นต้องพยายามใช้พุทโธหัดใช้พุทโธก่อนที่จะมานั่ง ถ้าไม่ใช้พูดโธมาก่อนเวลามานั่งมันใช้พูดโธไม่ออกคำถามจากคุณศรีลพลภักดีกราบขอความเมตตาเจ้าค่ะพระอาจรโยมเคยพูดว่าบุญที่เคยทำมาดยกให้คนอื่นหมดเลยนั้นบุญของโยมจะหมดจริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงรอ่ะบุญที่เรายกให้คนอื่นนี้แบ่งได้บางส่วนนั่นเองส่วนที่เป็นของเราก็ยังเป็นของเราอยู่ ส่วนที่เป็นส่วนอุทิศก็เป็นของเขาไปคําถามจากคุณนิรุตเจ้าค่ะความหมายของเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เป็นอย่างไรครับก็พันดีพันชั่วคนดีคนชั่วมันก็มาจากกรรมที่ทําคนที่ชอบทําความชั่วมันเกิดมามันก็จะเป็นคนชั่วทําแต่เรื่องชั่วชวคนที่ทําความดีมามันก็จะกรรมมาเกิดมาทําแต่ความดีก็เป็นพันดีไป คำถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็มีใครอยากจะถามอีกไหมมีมีโยมบาปกับบุญมีจริงค่ะสาธุเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุสาธุจ้ถ้าเช่นนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, า, า, าก็าอกาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริพิจารณาไปปฏิบัติ